มีคำถามตอบไหม พ, พระอาจารย์ครับมีคำถามครับผมาถามเองถามเองเหรอป่ะครับมีฝาขนฝากมาถามครับผมถามว่านั่งสมาธิดูลมหายใจที่บ้านมีอาการปิติตัวโยกไปมาหลายครั้งกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะผ่านอาการนี้ไปอย่างไรครับ ควรกลับมาดูลมหายใจให้มีสติหรือเปล่าครับจะผ่านอาการนี้ไปยังไงจริงๆอาการตัวโยกเนี่ยมันติดนสัยคนพอจิตเริ่มก่อกับลมหายใจแล้วอาการโยกก็จะเกิดเวลาอาการโยกมันเกิดนั่นน่ะให้สังเกตดูความรู้สึกตัวมันน้อยลง สติที่รู้ลมหายใจก็จะเบาลงมันจึงโยกซึ่งตอนนั้นจิตไม่ได้มีสติอยู่ในสมาธิแต่เป็นเหมือนกับสมาธิมันมีกำลังเบาลงจิตรู้ลมหายใจอยู่นั่นแหละแต่ว่ารู้นะมีกำลังเบาลงเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเป็นสภาวะขึ้นมาอาการโยกเนี่ยเราก็ต้อง หันไปที่สติต้องหยุดแล้วก็เริ่มตั้งความเพียนใหม่เอาความรู้สึกตัวที่แรงแรงกว่าในขณะที่มันโยกถ้ามันรู้สึกตัวเบาแล้วมันก็โยกโยกโยกเนี่ยอาการนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวมันเบาจิตที่รู้ลมหายใจก็เบาเราก็ต้องหยุดแล้วก็ตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงเสร็จแล้วก็รู้ลมหายใจใหม่ อาการโยกครั้งที่หนึ่งเกิดเราแก้อย่างนี้หายครั้งที่สองเกิดเราแก้อย่างนี้หายครั้งที่สามเา ก, กิดเราแก้อย่างนี้หายทีนี้ต่อไปเราก็ดูมันเป็นสภาวะพอ ม, มันหายสักสามสี่ครั้งแล้วเราค่อยดูให้เป็นสภาวะดูอาการกายอาการกายที่โกลงเป็นสภาวะอย่างหนึ่งแต่ว่าแก้สักหายสักสามครั้งก็สบายแล้ว จิตรู้มันเบาลงกลายมันถึงโลกมันไม่ใช่โยกแต่กายอย่างเดียวนะมันมีความสงสัยเกิดขึ้นด้วยนิวรมาเพียบหมดอนะ่ะหนึ่งกายโยกสองเกิดความสงสัยสามจิตปรุงแต่งภรุงสร้างนินวรมาเพียบเลยแล้วก็ ในขณะที่สงสัยว่าอะไรเป็นอะไรเกิดครั้งที่หนึ่งเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามทีนี้ก็เป็นสัญญาสัญญาก็จำไว้อุปาทานควังเข้าไปในสัญญาอีกทีเป็นสัญเป็นสัญญาอุปาทานขึ้นทีนี้นั่งไปได้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งมันก็จะโยกละด้วยอำนาจของสัญญาเป็นการปรุงแต่งของจิตที่เกิดความคุ้นจินเป็นอุปาทานในสัญญา มันแก้ด้วยการเริ่มตั้งความเพียรพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันโยกให้หยุดแล้วก็ตั้งกายให้ตรงเอาความรู้สึกตัวแรงๆกลับมาแล้วก็รู้ลมหายใจเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียงทางมันเป็นไม่แค่เพียงแค่ทางผ่านของคนปฏิบัติภาวนาที่เกิดขึ้น เหมือนเมื่อกี้ที่บางคนลมหายใจเข้าหายเวลาลมหายใจเข้าหายความจริงมันไม่ใช่ลมหายแต่จิตรู laser, <c oughs> ้มันละเอียดประจิตรู้เลยปกติเวลาเราหายใจออกหายใจออกปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าพอหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแล้วเราขวางอุปาทานในสัญญาของเราว่าหายใจออกแล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้า พอเราให้จิตรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงไหลออกรู้ไหลเข้ารู้พอลมหายใจเป็นสิ่งถูกรู้ของจิตจิตรู้ชัดในลมหายใจพอลมหายใจออกจิตรู้เริ่มมันจังหวะที่ลมหายใจจะหายเข้าอ่ะแต่ในความที่จิตมันรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดมันรู้ลมหายใจเข้าเสร็จรู้ลมหายใจออกเสร็จลมหายใจเข้ายังไม่ทันไหลเข้าเลย จิตรู Again, fly, are, we follow, we ้สึกว่าลมหายใจมันหายเพราะตรงนั้นจังหวะตรงนั้นมันรู้สึกเหมือนกันนานเพราะจิตมันรู้ไงจิตมันรู้มันเฝ้ารู้เฝ้ารอลมหายใจแต่ลมหายใจไม่มาจิตรู้สึกมันนานจริงๆมันไม่นานแต่จิตรู้สึกเหมือนนานแล้วก็เกิดการตกใจขึ้นมาว่าลมหายใจหายบางทีก็เกิดความสงสัยพอสงสัยปั๊บแล้วลมหายใจมาลมหายใจมันมาตามระยะของมันแต่พอรู้แล้วมันก็มันก็นาน แต่จริงๆตามปกติโดยสัญชตาตญาณที่กิเลสอบรมเรามาเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเวลาลมหายใจลมมันหยุดแล้วเราหายใจออกแล้วเราหายใจเข้าลมหายใจเหมือนต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันคือออกแล้วก็ออกแล้วก็เข้าออกแล้วออก็เ ข, ข้าแต่ในความเป็นจริงของลมนั้นออกแล้วหยุดแล้วเข้าลมออกกับลมเข้ามันไม่ได้ต่อกันแต่กิเลสที่อบรมเรามาเนี่ย เรารู้สึกอย่างนั้นลมหายใจเป็นอ่างนี้แต่ในความเจริงลมมันไม่ใช่มันออกข้าวออกระยุตข้าวแต่จิตไม่รู้ประจิตรู้มีกำลังแข็งขึ้นอยู่กความเป็นปัจจุบันที่มันไหลออกของแต่ต้นจนสุดลมหายใจหยุดออกปับพอมนจะรู้ลมหายใจจังหวะที่มันหยุดเมื่อก่อนจิตไม่เคยรู้ พอจิตรู้สี่แข็งแรงขึ้นมันรู้ชัดตามความเป็นจริงมันก็เป็น เ, เหมือนกับว่ามันนานไอ้ที่รู้สึกว่านานนะคือกิเลสกิเลสรันดานเดิมมันรู้สึกมันนานแล้วมันก็ตกใจอันนี้เราก็พอมันพอมันลมหายใจออกลมหายใจหยุดเราก็รู้ว่าลมหยุดต้องรู้ลมหายใจหยุดมันหยุดก็รู้ว่าหยุด พลมหายใจเริ่มเคลื่อน้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าพอลมหายใจเข้าสุดมันมีลมหายใจหยุดก็รู้ว่าหยุดลมหายใจเข้าาออกมันก็รู้ว่าออกลมหายใจหยุดก็รู้ว่าหยุดเ พ, พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางสอนในชั้นของสติปัฏฐานลมอาณาปานาติว่าปัจสมปยังกายสังครงังปัจสมปยังกายสังคารังอัตสรามีติสิกขติคือตั้งใจศึกษาลมหายใจ หยุดแล้วก็หายใจออกรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเข้ารู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจออกรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเข้าไอ้ที่เราว่าลมหายใจหายนั่นแท้จริงลมหายใจมันหยุดแล้วก็รู้กระชั้นก็มาความเป็นจริงก็เกิดมาขึ้นเรื่อยเรื่อยรื่อยเยมีคำถามอีกไหมลองถาม ะอาจาย์ครับแล้วเราจะรักษาระยะไม่เข้าไปแนบกับการไปลมหายใจกับอันที่แบบเรารู้ในแง่ของเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้อ่ะคือจิตรู้ยังไม่ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าไอ้ที่เรารู้อยู่เนี่ยมันมันเป็นการเกาะลมหายใจไปแล้วหรือว่าแค่รู้ลมหายใจเราก็ตัดความสงสัยเชยเลย แยกระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับจิตรู้เสียวิธีแยกก็คือว่าหายใจเข้าให้สุดหยุดลมหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่เลยออกแล้วปล่อยให้มันไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้กับจิตรู้เนี่ยแยกกันไปแล้วแยกกันได้ชัดอืมถ้าไปแล้วมันเกิดความฝืนใสแล้วมันนั่งตีความกันอยู่เนี่ยในระหว่างนั้นเราจะเสียเวลาการของเราเราก็หยุดจับมันแยกเสเองเลยให้มันชัด แล้วเวลาเรานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยสติกับสมาธิที่มันเดินมาเรื่อยๆมันไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าเอ๊ะมันตสงสัยว่ามันแนบไปแล้วบอกหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็หายใจเข้าให้สุดแล้วก็มารู้ลมหายใจที่ไหลออกมันแยกชัดเจนตอนที่ลมหายใจไหลออกอ่เพราะลมหายใจไหลออกมันเป็นธรรมชาติมากกว่า พอมันแยกกันชัดตั้งแต่ลมหายใจไหลออกปั๊บพอลมหายใจเข้ามันก็แยกออกมนเองแล้แยกกันเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้มันแยกกันอย่างนี้แล้วเราก็รู้ต่อไปสติสมาธิที่เรานั่งมามันก็ยังไม่ไม่หายไปไหนที่มันถูกกันนะมันก็ยังเวนบารมีของมันอยู่ไปเรื่อยแต่พอเรานั่งเราเราก็สงสัยและขณะนั้นเรารู้สึกว่าเรามีสติอยู่แต่เรายังเกิดความรู้สึกสงสัยว่าเอตอนนี้เรา มันแนบนอนไปกับลมหายใจแล้วมันผูกมัดไว้กับลมหายใจแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกอยู่อย่างนั้นไหมสงสัยว่าอมันใช่ไหมทีเนี่ยมันก็จะปรุงไปเรื่อยเราหยุดเลยไม่ต้องตัดความสงสัยตรงนี้หยุดเลยแล้วก็หายใจเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกไว้ชัดรู้ลมหายใจออกไว้ชัดแล้วก็เหมือนกับเราเดินอยู่อ่ะเราเดินเดินเดินเดินเดินเดินเอ๊ะมันมันสับสน น่นนี่เหยุดเดินเลยหยุดเดินแล้วเราก็ตั้งใจเดินใหม่ระยะทางมันก็ไม่ได้ตั้งต้นนะมันอย่างนั้นเราก็ปรับอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมื่อพอมันแข็งแรงไปกว่านี้เดี๋ยวมันก็รู้เองมันต้องรู้ด้วยตัวเองมันจึงจะชัดจริงๆแต่พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ชัดเจนนะปฏติสติมัตัยยะมันเพียงแค่ระลึกลมหายใจนะลมหายใจของเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกระลึก สติที่มีอยู่มันมันแค่ระลึกลมหายใจยานามัตตยะมันเพียงแค่รู้จิตที่รู้ลมหายใจมันเพียงแค่รู้กับกับว่าเพียงแค่รู้เท่านั้นยานมัตตยะมันไม่ใช่ไปฝังนัน่นเพียงแค่รู้ อ, อนี่ดีใช่ได้ นี่นางกี่กระดูลรหมายใจมากี่ครั้งแล้วเนี่ยทำสลัดกับแนวแนวย่งงอมดีมันต้องได้อย่งงั้นอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องมีภาวะที่เกิดภาวะที่เกิดกับตัวแล้วเราก็ศึกษาบันในสภาวะนั้นแล้วก็ดูบัน แล้วก็แก้มันถ้าแก้มันไม่ได้ก็เป็นปมสงสัยใช่ไหมเออก็แก้มันฉะนั้นเราก็ตัดประเด็นมันไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากันเรื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็เอาลมหายใจไหลเข้าให้สุดแล้วก็ปล่อยลมหายใจไหลออกอย่างช้าแล้วก็จิตมาค่อยๆรู้ลมหายใจที่ไหลออกเพื่อแยกสิ่งที่ถูกรู้กับจิตรู้เนี่ยออกจากกัน ให้จิตรู้ต่อลมหายใจเนั้นมันเป็นแค่ระลึกต่อลมหายใจแค่รู้ต่อลมหายใจเท่านั้นออกมาเสร็จแล้วก็หายใจเข้าก็รู้ต่อไปถ้ามันเกิดอาการอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้เกิดอาการอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายอ้าวมีคาถามอีกไหมตาอาจารย์ครับถ้าเผื่อการหายใจนี่นั่งจนหายใจแล้ว ไม่รู้ว่าอันนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกคือว่ามันนิ่งเหมือนกับลมมันเป็นหนึ่งแต่ลมหายใจยังอยู่แต่ลมหายใจยังอยู่ใช่ไหมยอยู่ครับจิตก็มีสติอยู่จิตมีสติอยู่เพียงแต่ลมหายใจไม่รู้ว่าเข้าหรือออกอันนี้มันละเอียดขึ้นถ้าเกิดความรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะ มันเข้าหรือออกมันนิ่งเลยครับเอดี๋ยวมันก็เกิดความงใสงสัยใช่ไหมว่าตอนนี้ลมหายใจเรามันเข้าหรือออกก็ <g ül> ถามตัวเองว่าเอา๊ะนี่มั น, มนไม่มีเข้าออไม่มีออกเอ่อแต่มันมีลมหายใจอยู่อแล้วให้ทํำยังไงต่อก <g ül> ็ไม่ต้องทอําไม่ต้องทํำยังไงอยู่ในสภาวะอย่างนั้นอมไม่ต้องทํำยังไงมันยังอยู่กับลมหายใจก็เกาะลมหายใจไว้แต่ว่าพอมันเกิดความงสงสัยว่าเอา๊ะ นี่มันเข้าหรือออกเนี่ยก็หยุดลมหายใจในขณะนั้นได้แล้วก็ตั้งต้นจากลมหายใจที่ไหลออกเหมือนดืม่มพอมันมีความสงสัยอย่างนั้นแล้วเราก็แล้วรู้ว่ามีสติอยู่แต่สติที่อยู่มันมีสมาธิที่แบบสมาธิที่ต่อเนื่องจิตจิตที่จะเกิดอาการอย่างนี้คือมันไม่ได้หลุดออกไปนอกเลยไม่ได้หลุดออกไปคิดเรื่องอะไรเลย มันถูกเฝ้ารู้ลมหายใจมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อ ง, องแล้วพอมันหายจากความที่ว่าไม่รู้เข้าหรือออกเกาะแต่ลมหายใจอย่างเดียวเหมือนเราไปยืนดูริมน้ําที่น้ำมันไหลเราไม่ได้วิ่งดูน้ําไหลอย่างนี้ไม่วิ่งเราดูน้ําที่มันไหลนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยพรนานข้าน้ำมันไหลลงใช่ไเรารู้ว่าน้ํามันไหลลง พอนานข้าวจิตมันจิตที่ดูน้ําเนี่ยมันมันไม่รู้ว่าน้ํามันไหลลงหรือไหลขึ้นหรือไหลไปทางไหนแต่รู้ว่าน้ํามันอยู่รู้แค่น้ํารู้แค่น้ําฮ่แต่โดยโดยชื่อมันที่เราสมมติจําฝังไ ว, ว้ว่าน้ํามันไหลลงไปอย่างนี้แต่เรายืนดูนิ่งอย่างนี้และเราก็ไม่รู้ว่ารู้แต่ว่านี่คือน้ําที่เราดูอยู่เนี่ยน้ําแต่เราไม่ได้ ไอ้ความที่ว่าน้ํามันไหลลงไปเนี่ยมันหายไปเหมือนกับที่เรารู้ลมหายใจเหมือนที่เรารู้ลมหายใจว่าเรารู้ลมหายใจตรงนี้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ตอนนี้ที่สุดแล้วมันมันไม่ได้ใส่ใจในคําว่าเข้าหรือคําว่าออกแต่มันใส่ใจตรงที่ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจนั้นไปเรื่อยเรยรู้ลมไปเรื่อยๆพระอาจารย์ครับแต่ถ้าในระยะแรกแรกที่นั่งเนี่ย มันมีสัญญามาสัญญามาแล้วก็ไม่สนใจมันแล้วมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีสัญญามาอีกเราไม่สนใจแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจบางทีก็ไม่รู้ว่าเข้าออกแต่เราก็รู้ว่าอยู่อย่างนี้ทีนี้ไม่ทราบว่าจัดการถูกหรือเปล่าครับก็ถูกในระยะต้นแต่ทีนี้ว่ามันมันเริ่มห่างออกจากความจริงของลมหายใจ มันเริ่มห่างจากความจริงของลมหายใจท่นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอั ส, สสิทธิอัสสติกับปัต ส, ส, สติคือเมื่อเข้ารู้เป็นเข้าเมื่อออกให้รู้เป็นออกก็แยกไอ้ชาติอย่างนี้พระจิตมันจะหลวมเข้าไปอยู่อย่างนี้มันผิดไหมมันไม่ผิดอะแต่เราต้องไม่เอาเราก็จะต้องไม่เอาเหมือนเราเดินทางจากนี่ไปเชียงใหม่ แล้วเราไปถึงแก่งคอยสระบุรีพอไปถึงแก่งคอยสระบุรีนี่เรานั่งอยู่บนรถไฟซึ่งจะต้องวิ่งไปเชียงใหม่เหมือนเดิมแต่เราในขณะนั้นเราไม่รู้แล้วว่าสถานีอะไรอะไรไตำบลอนะไรอยู่ที่บนรถไฟอย่างเดียวแล้วก็ดูแต่ข้างนอกอย่างเดียวซึ่งมันไม่อยู่กับความเป็นจริง ความเป็นจริงในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่นั้นในความเป็นจริงของลมหายใจคือมันยังมีเข้าและยังมีออกแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเข้าหรือออกมันเข้าหรือออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากเพราะในขณะนั้นที่รู้ที่ถามได้เพราะมันมีสติไเพราะมันมีสติมันจึงถามได้เพราะมันมีสติมันจึงส ง, งสัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะอย่างนี้ต่อไปเนี่ย ก็หยุดใช่ไแล้วก็ไล่ลมหายใจให้มันถูกตามที่มันเป็นแปลก็ว่าก็คือปรัชญาวิทยะอีกแหละเริ่มตั้งความเพียรใหม่พอมันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็หายใจเข้าให้สุดแล้วก็ไล่ลมหายใจออกแล้วจิตรู้ลมหายใจออกไปเรื่อยๆพอมันจิตมันไล่ลมหายใจออกเข้าออกมันก็รู้เป็นออกเข้ามันรู้เป็นเข้าใช่ไหมมันก็ต่อความเพียรอย่างเดิมอืมเข้าใจปะ ฮะอย่าไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมถะใช่ไหมครับอย่าอย่าไปสนใจเรื่องสมถะเรื่องริหรือว่าวิปัสนาเอาอย่างนี้ก่อนหลวงพ่อครับแล้วสัญญาที่มันเข้ามาแล้วแล้วเราก็ไม่สนใจมันหายต่อหลังก็ไม่เข้ามาอย่างเนี้ยก็ถูกนั่นแหะสมถะที่ไม่ถามคนนี้ไม่ถามมาธรรมถะแต่คนนี้ไม่ถามมาธรรมถะแต่บอกว่านั้นแหะคือธรรมะ หมายถึงว่าจัดการถูกไหมครับคือว่าคนอื่นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเข้ามาแล้วเราไม่สนใจเข้ามาแล้วเราไม่สนใจจริงๆมันไม่ใช่เข้ามาหรอกเร า, ามันออกไปจริงๆมันไม่ได้เข้ามาแล้วเร า, วามันออกไปพอมันมันออกจอากลมหายใจไปและเราไม่สนใจเราเอากลับมาไอ้นั่นแนะคือความถูกที่จริงมันไม่ใช่ว่ามันเข้ามา แล้วลมไม่สนใจเราเข้ามันเข้ามาเราไม่สนใจมันไม่ใช่หล่ะเรามันออกไปออกไปในที่นี้คือออกไปจากลมหายใจพออกไปจากลมหายใจแล้วไม่สนใจแล้วก็กลับมาอยู่ลมหายใจก็ถูกแล้วทําอย่างนั้นบ่อยๆถ้าทำอย่างนั้นได้บ่อยๆเข้าต่อไปสภาวะหยาบมันก็จะไม่สนใจอืมสภาวะอะไรที่เข้ามามันก็มันไม่สนใจแต่มันก็ได้อยู่แท้แค่นั้นนะ อืต่อไปเราก็ต้องหัดดูการเกิดการดับของสภาวะไอสิ่งที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปเนี่ยแท้จริงมันมีการเกิดและการดับอยู่ในนั้นพอเราดูการเกิดและการดับของมันแหละทีนี้เนี่ยมันจะเป็นวิปัสนาใช่ป่ะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันดับมันอยู่ของมันเฉยๆเออยังยังก็ยังยังธรรมะอยู่นั่นนะ อาจารย์ครับถ้าเราแนบแนบไปมันก็สามารถนำไปสู่จิตรวมได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ได้แต่มันต้องมีปัญญาเนยต้องมีปัญญาเพราะในระหว่างที่แนบมันจะมีสภาวะเกิดเพราะว่าเคยปฏิบัติแล้วเรามีรู้ เ, รเลยมันจะมีสภาวะเกิดพอสภาวะเมื่เกิดรู้การเกิดขึ้นของสภาวะพอมันดับก็รู้ว่าสภาวะที่เกิดันดับ จิตที่รู้ว designs, s <S <hein. S 1> ่าสภาวะเกิดข huh ึ้นและดับและรู like ้ว่าสภาวะที่เกิดนั้นดับแล้วไอ้นี่จะเป็นปัญญาค่อยๆโตขึ้นแล้วมันก็จะขวนขวายขยันดูสภาวะเกิดและสภาวะดับการเห็นสภาวะเกิดและสภาวะดับมันจะสะสมเป็นปัญญาให้กับจิตในขณะที่เราแนบไปในขณะที่เราแนบไปเข้าใจไหมขณะที่เราแนบไปเราก็เห็นสภาวะมันดับดับบและไอตัวที่เราแนบเนี่ยมันจะดับเป็นตัวหลังถุก ของโยมเจอโยมก็เรียกว่าแนบเพราะว่าเรามาจากความรู้สึกตัวตอนนั้นทำไปแบบไม่รู้แต่ว่ามันก็รวมเหมือนกันก็เลยนำมาถามาได้มันมาจากความรู้สึกตัวเวลเาเ็ถามอย่างนี้เราก็อยากคิดว่าโอ้ยทำไมเขาเก่งจังมันไม่ใช่นะเราบางทีเรามีกว่าเขาแต่เราเราไม่สามารถถามเป็นเราถามไม่เป็นเข้าใจเป่ฮะ <c oughs> <c oughs> จริงๆอะเราอย่าคิดว่าโอ้โหเขาเก่งนะเขามาแป๊บเดียวก็ถามอย่างนี้ได้เราไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะออการขัดเกลวการพื้นที่ใจที่พูดมาแต่แต่ต้นเนี่ยมันไม่มีใครเก่งหรือไม่เก่งนะไ อ, ไอคนที่ถามแบบนี้เพราะว่าไอเชื่อบวงการปฏิบัติมันเยอะแล้วคอยสังเกตคอยสังเกตคอยสังเกตคอยสังเกตคอยสังเกต เราเราเฮ้ยเรามานั้งเจ อ, อพ่อมาตั้งห้าสิบลแล้วยังไม่เคยถามเลยไม่มีคำยังไม่ได้ถามเลยโอ้ยที่เข้ามาแค่สครั้งวดูกขถามเกง่งๆอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่นะแต่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้เราศึกษาต้านใช้สรรพว่าสิคติให้ศึกษาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในขณะในขณะศึกษาเพื่อเข้าสู่ความเป็นจริงความเป็นจริงที่สุดของมันน่ะ ตั้งคำถามของโยมเชื่ออะไรฮะสุพินเนี่ยพอพเออตั้งคำถามของโยมสุพินตั้งคำถามของโยมพอที่ว่าในที่สุดแล้วคำถามสองคำถามนี้มันไปไปอยู่ในที่เดียวกันคือเกิดและดับถือเป็นสาระไม่ได้เหมือนกันเข้าใจปะมันเหมือนกันหมดเห ม, เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเป็นเส้นทางการปฏิบัติถ้าเราไม่ถามเราไม่แก้ มันเราก็จะผ่านมันไปไม่ได้พอปฏิบัติใหม่มันก็จะมาติดอยู่อีกพอปฏิบัติใหม่มันก็จะมาติดอยู่อีกแต่จริงๆไงที่ติดติดติดอยู่มันไม่มีสาระอะไรเลยนะมันเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่เราเดินมาจากความรู้สึกตัวไงพอเราเดินมาความรู้สึกตัวจิตมันแนบเหมือนเหมือนกับจิตมันอยู่ในอํานาจของเราแล้วเราก็บังคับให้มันแนบไว้กับลมหายใจแล้วก็มันไปไปเรื่อยเรื่อยเืยเแต่มันรวมได้เหมือนกันทีนี้ ก็ถือว่าดีอ๋อมีคำถามอีกไหมเวลาเราฝึกสมาธิไม่ว่าเราอยู่ที่บ้านหรือจะสำนักไหนก็ตามอาณาก็ตามพุทธโธก็ตามหรือการเคลื่อนไหวก็ตามแล้วเวลาเราไปอยู่บ้านน่ะเราไม่ได้ดูลมหายใจในชีวิตจริงเราไปทำงานทำการเนี่ยเรารู้สึกว่าการฝึกของเรามาใช้ในชีวิตจริงของเรา มันมีมันมีอะไรดีขึ้นไหมจากนิสัยสันดานเดิมของเราดีขึ้นไหมเออมีใครรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นไหมดีขึ้นบ้าดีไหมนิดนึงเอออูออดีเยอะๆเอามีใครรู้สึกดีขึ้นไหมในชีวิต จ, จริง เนี่ยอาการที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นวิชาคือพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ัดสันตังกริสติในที่สุดมันจะทำที่สุดแห่งทุกข์นั่นหมายความว่าในชีวิตเราที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสที่มันถือครองเรา เราเคลื่อนไหวไปในที่สุดแล้วทุกๆเรื่องมันจะไปสุดอยู่ที่ทุกแต่ปรเราฝึกสติเราจเจริญสติจเจริญไปจเจริญไปจเจริญไปไอสิ่งที่จะไปสุดอยู่ที่ทุกเนี่ยมันไม่ทุกตรงไหนที่สติจัดการได้นี่มันไม่ทุกตรงไหนที่สติมันจัดการได้นี่มันไม่ทุกตรงไหนที่มันเคยเป็นปัญหาแล้วมันไม่เป็นตรงไหนที่เคยเป็นปัญหาแล้วมันไม่เป็น อันเนี้ยคือในชีวิตจริงแล้ววิชาพวกนี้มันมาโดยที่เราไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้มันเป็นองค์ของธรรมมันเป็นสรญชัตยานของธรรมที่มันโตขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ในใจของเราองการฝึกฝนจิตเป้าหมายเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่าสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หรือบุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้ถ้าเรามุ่งแบบนั้นนะ ถ้าเรามุ่งแบบนั้นเราก็จะได้น้อยในส่วนที่เป็นปัญญานะจะได้น้อยอย่างมานั่งที่นี่เคยพูดเสอมอมาเป็นสนามฝึกฝึกออกไปข้างนอกจากตรงนี้ไปเนี่ยคือสนามจริงเพราะที่นี่แทบจะไม่มีอะไรเลย ที่จะมากระทบเราใช่ป่ะแต่ข้างนอกเรากําหนดอะไรไม่ได้อข้างนอกนี่เหมือนกับเรากระโดดกไปอยู่ในท่ามกลางป่ารกชัดไม่รู้จะเจอน้ําตรงไหนไม่รู้จะเจอสัตว์อ่าหูเลื่อยเกี้ยวเข็บตรงไหนไม่รู้จะเจอหลุมตรงไหนไม่รู้จะเจอบ่อตรงไหนไม่รู้จะเจออะไรตรงไหนโอ้ยเต็มไปหมดเลย เรามาฝึกนี่เพื่อที่จะต้องไปเจอกับความเป็นอยู่ในโลกของความจริงอย่างนั้นไอ้ัาที่นี่ไม่วิทบายนั่งกับมีเบาะนั่ง อ, <c oughs> อันอนี้เราเรียกว่ฝึกเหมือนทังางน่ะเราเอาคนเหนือคนใต้คนอีสานคนลูกชาวไร่ชาวนาลูกพ่อค้าลูกเศรษฐีลูกฉันนั่งมารวมกันอยู่วางระเบียบนใน แล้วก็ฝึกฝึกจับมาึกึกึกกึกกกกกกทีนี้ก็ออกสงครามออกสมรภูมิมันก็ใช้อาวุธเป็นใช่ไหมวางแผ็นุกรับอะไรต่างๆนี่รือรับชนะฆ่าศึกได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการมองภาพของการฝึกสติฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมองแบบนี้นะมันต้องมองในลักษณะนี้ มันจึงจะเป็นประโยชน์มากมันต้องฝึกให้เกิดความกล้าให้ความกล้าตรงไหนฮะวันี้เราพยายามายให้ฟังบ่อยๆความกล้าก็คือว่าจิรังวายดีวาติดทัง้งนิสินโดอุนวาสยังโยวิตกังวิตตเกติปาเปกังเคหะนิสิตัง กุมมัังปฏิปันโดโซโมหะเนยเยสุมุชิโตอภพโพตาดิโซภิกุพุทธุ่งสัมโพธิมุตตะมังความกล้าที่ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคำ ว, ว่าเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามหรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อใดที่ความคิดไม่ดีคืออกุศลมันเคลื่อนไหวขึ้นที่จิต เมื่อมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเคลื่อนไหวขึ้ น, น, นที่จิตสยบมันให้ได้วิตกังสมายิตตะวานะเพราะมันคิดไม่ดีมันครอบงาจิตเราจิตเราก็ตกอยู่ใต้อานาจของความคิดที่ไม่ดีแล้วก็เคลื่อนไหวกลายเป็นกรรมแต่การปฏิบัติธรรมครานี้เป้าหมาย มีสติสมาธิและปัญญาจะเริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแล้วเนี่ยหยุดความคิดที่ไม่ดีเดินอยู่ก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามพอมีความคิดไม่ดีความคิดที่เป็นอกุศลเกิดหยุดมันและให้ความคิดนั้นละลายสลายตัวมันไปเกิดและก็ดับมันไปด้วยสติเนี่ยสามารถรู้และเห็นมันเกิดและมันดับไปได้โดยไม่ต้องไปอยู่ใต้อำนาจมัน ให้ได้ความคิดไม่ดีเป็นเหมือนอริเป็นเหมือนศัตรูในสมรภูมินี้เพราะมันพอมันคิดไม่ดีขึ้นมาหนึ่งครั้งเพราะครอบความจิตจิตก็อยู่ใต้อำนาจความคิดไม่ดีมันจะไปเพิ่มกำลังโมหะ โมหะเนยเยซูมุจิโตจิตจะถูกชุ่มแช่อยู่ในอำนาจของโบหะนาขุ้นนาขึ้นนาขึ้นพราะันความกล้าของเราจากการอบรมภาวนาเสร็จแล้วเราต้องมีความกล้าพอว่าเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นปั๊บเรารู้ว่ามันเป็นความคิดไม่ดีรู้สึกตัวได้ว่ามันคือความคิดไม่ดีหยุดปรุงแต่งตามอำนาจความคิดไม่ดีนั้นแล้วก็ยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์ที่มันเคยเป็นเช่นลมหายใจเป็นต้น ยกจิตกลับมาสู่ลมหายใจเลยเพื่อไม่ให้ไปอยู่ใต้อำนาจของความคิดไม่ดีพอจิตไปอยู่กับลมหายใจได้ระยะหนึ่งสองสามคู่ลมหายใจเสร็จแล้วก็ดูความคิดไม่ดีที่มีอยู่ว่ามันดับไปแล้วยังพอความคิดนั้นดับไปปั๊บจิตก็จะกลับมาแล้วก็รู้ว่าความคิดนั้นดับไปอำนาจความไม่ดีที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอำนาจต่อจิตจิตก็ไม่ตกอยู่ในอานาจของความไม่ดีนี่คือการ อยู่ในสมรภูมิจริงอย่างทุกทีเวลาเราเกิดความโกรธความโกรธนี่เวลามันเกิดขึ้นที่จิตจิตก็จะตกอยู่ใต้อำนาจมันพอจิตอยู่ใต้อำนาจมันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทมอำนาจของมันใช่ไหมเราไม่ได้สแสดงกิริยาอาการเราไม่ได้ไปพูดไปทำอะไรที่มันเป็นกรรมออกไปทางกายกรรมทางวจีกรรมไม่มีแต่มันสาเร็จไหมมันสาเร็จเป็นมโนกรรม เพราะจิตมันอยู่ในอำนาจพออยู่อำนาจมันก็ตกผลึกมาเป็นอะไรเป็นพยาบาทเห็นไเป็นปฏิฆะเป็นกรรมทางจิตเป็นกรรมในความคิดเริ่มก็จะผูกต่อไปมันจะมีอำนาจขึ้นความโกรธก็จะยิ่งมีอำนาจขึ้นความโกรธก็ยิ่งมีอำนาจขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมันโกรธเฉเพราะคนที่มันทำรู้สึกว่ามันมาทำอะไรเราไม่ดี สมมติคนเนี้ยมันมันทำไม่ดีมันพูดกับเราไม่ดีแต่ก่อนก็ดีดีพอวันหนึ่งมันพูดกับเราไม่ดีเรารู้สึกโกรธเราไม่แสดงออกพอวันหนึ่งไปเจอหน้าก็อีกทีมันไม่ทันพูดเลยเราก็โกรธแล้วกําลังมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อมามีคนอื่นสามสี่คนยืนอยู่ข้างเขาไอ้สามสี่คนที่มาใหม่นั้นมันไม่ทันพูดอะไรเลยเราก็ ระบายความโกรธออกไปทั่วหมดแล้วขยายไปด้วยเพราะกําลังมันขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม ข, ขึ้นที่ใจของเรานี่พระเจ้าว่าสติที่เราจเจริญที่ฝึกเนี่ยต้องหยุดแค่เหมือนที่บอกว่าไม่แนบมันเห็นมันเห็นความคิดที่ไม่ดีเห็นความโกรธที่มันเคลื่อนไหวอยู่ที่จิตพอเห็นปับ๊บไม่ยอมไม่มาไปอยู่อำนาจมันต้องกล้ายกจิตกลับไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจ ยกจิตกลับเลยเข้าไปหาลมหายใจหายใจเข้าออให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าใจรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วไม่สนความโกรธที่อยู่นันต้องกล้าขนาดนั้นนะต้องกล้าเล่นกับมันขนาดนั้นแล้วก็ปล่อยลมหายใจไหลออกจิตไปรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าสองคู่สามคู่สีค่คู่แล้วก็ไปดูความโกรธที่เกิดนี่เรียกว่าเราจะได้เห็นมันแหละที่เนี้ยแต่มันยังอยู่ถ้ามันอยู่เราก็จะเห็นมัน มันบีบคั้นจิตของเราก็ดูมันอีกจนกระทั่งมันดับเอถ้ามันไม่ดับเราก็อยู่กับลมหายใจอีกเล่นกับมันไปศึกษากับมันไปแต่ถ้ามันมากเกินแล้วเราก็เอาเบตตามาแก้เบตตามาแก้วิธีใช้การเบตาเขาคือชําระล้างความโกรธเนี่ยที่ตั้งอยู่นะมันไม่ยอมดับมันยังขยี้ขยี้แล้วมันจะบีบไอ้ใจอยู่ใต้อานาจมันได้เราก็ เอาสติที่มีอยู่กับความกล้าที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเอาเบตามาเลยมันโกรธคนนี้นะหู้มันโกรธมากเลยจับเบตาใส่เลยฮะใส่ไอ้คนเนี้ยจับเบตาใส่ตัวความโกรธเนี่ยขอไอ้คนเนี้ยไอ้ความโกรธนี่มันจะให้ไอ้คนเนี้ยพินาศยับเยินใช่ไหมเราเบตาล้างไปเลยเวลาคือว่า ขอให้คนนี้ปรารถนาสิ่งใดขอให้เขาได้สิ่งนั้นขอให้เขาปราศจากเขาหายจากความทุกข์มีโรคขอให้หายมีไข้ขอให้ลดมีจนขอให้มีนี่ขอ ห, หายก็ให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาให้เต็มๆยับยั้งสู้กับมันน่ะแล้วมันก็จะคลายลงคลายลงถ้าเมื่อใดที่ความปวดตัวนี้ดับไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นๆแล้วแค่ว่ามันดับแล้วมันดับแล้ว ไอ้ความกล้าอย่างเนี้ยมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ภาวนาจำไว้นี่ตอนนี้มันไม่มีอะไรมากระทบเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดนี่มันปกติใช่ไหมเข้าใจโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะฉันจะเอาไปใช้แต่พอไปถึงมีสิ่งกระทบปั๊บความกดปั๊มันงับวัชานุโคสังกับปานังวัชานุโคมันเป็นไปในอํานาจของความคิดจิตตกอยู่ในอํานาจของความคิดแล้ว อย่าว่าแต่ตอนนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอคอดูนะแต่ก่อนราเคยโกรธแล้อต่อไปเราจะไม่อยู่ในอานาจมันได้ไรความโกรถ้ามันเกิดเราจะเอามันได้ได้นี่ตอนนี้ตั้งใจใช่ไหมเดี๋ยวเวลามันยึดอํานาจมานะแม้แต่หลวงพ่อไปยืนบอกเอใจเย็นๆที่อย่าไปอยู่ในอานาจความโกรธมันจะโกรธหลวงพ่อใครอีกคนหนึ่งอํานาจมันะ่ะนี่คือสมรภูมิจริง ชปล่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเรายอมแพ้มันมเหมือนกับว่าถ้าเราโกโรธเราก็ต้องจัดการชนะตรงนั้นเลยให้จบอ่าก็จะตกผลึกมาเป็นโมหะที่มีอยู่เนี่ยมันจะหนักขึ้นพระพุเจ้าชีชัดแต่ความโกโรธนะตอนนั้นมันจะลดลงไหมครับอาจารย์ไม่ใช่มันลดลงมันตกผลึกมันไปทับเพิ่มขึ้นเพราะเหตุอย่างเดิมเกิด เหตุปัจจัยอันเดิมเกิดต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่ลดน้อยไปกว่านั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้งนี้อ่เขามามันมาทําอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าไปจัดการตกอยู่ในอำนาจความกดเลยตบปึ๊บปึ๊ป๊ป๊โอ้ยมันกลัวเรามาวิ่งหายไปแล้ววันเหตุปัจจัยอย่างเดิร์บีมันมาอีกต่อไปเราไม่ใช่เราตบปุ๊ปึ๊ปึ๊บแล้วดีไดีมีเตะด้วยทีมด้วย สังเกตหนี้ไหมสังเกตแม่ตีลูกหรือครูตีครูเขี่ยนเด็กอ่ะเขียนนี่เขียนด้วยเลยด้วยความรักนะด้วยความหวังที่จะให้เขาเป็นคนดีนะเพราะเขไม่ได้ทําอะไรกับครูน ะ, อะเออเขียนปับ๊บอะไรเด็กก็เจ็บมันก็ร้องใช่ไหมไม่ร้องครูครูก็บอกว่านิ่ง มันไม่นิ่งอ่ะมันยิ่งร้องอ่ะทีนี้มันเริ่มมาแล้วความกดก็ครอบความครูแล้วจิตของครูถูกความกดครอบงำมาแล้วเด็กมันยิ่งร้องก็เลยห้ามไม่ให้เด็กร้องเด็กไม่เด็กไม่ร้องไม่นิ่งอ่ะมันเจ็บอ่ะครูก็เครียดใหญ่เลยเครียดใหญ่เด็กมันก็ยิ่งร้องครูก็ยิ่งตวาดบอกว่าเงียบเด็กมันไม่เงียบครูก็เครียดเครียดเครเราเป็นใครที่เป็นแม่เครียดลูกบ้างเคยมีไหม คืเห็นไหมอย่างเนี้มันเป็นอย่างนี้แหละอมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น เ, เราเข้าไปจัดการปั๊บมันจบมันไม่ใช่หรอมันสําเร็จเป็นกรรมไปแล้วแล้วมีวิบากตกอยู่ที่จิตฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าสังกับปานังวสานุขโขเมื่อจิตตกอยู่ในอํานาจของจิตเมื่อจิตตกอยู่ในอํานาจของความคิดที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยสําเร็จตกเป็นกรรมแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นกิเลสกรรมวิบากวนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เด่ดเป็นสังสารวัตที่สุดอยู่ที่ทุกมันเบียดอยู่ในขณะที่มันเบียดจิตอยู่มีจิตตกอยู่บนหน้าของมันใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์พอทำในระหว่างที่ทำความเพียร น, นั้นเป็นทุกข์พอทำเสร็จแล้วจิตเกิดความสะใจแล้วเข้าใจว่าเป็นสุขแท้จริงไม่ใช่ มันทุกผลจากทุกตรงนั้นมันสร้างเวรสร้างกรรมสร้างศัตรูสร้างอะไรก็ว่าไปพร้อมกับสร้างความหนาแน่นของจิตด้วยอำนาจของความโกรธเพิ่มขึ้นในเราสังเกตว่าเด็กเล็กๆอนุบาลกระโวยดินสอก็ไม่ได้รับการแก้อะไรใช่ไหมต่อมาก็ปากกาต่อมาก็เป็นกระเป๋าต่อมาอยู่บ้านก็เริ่มงกระโวยตังแม่ แล้วในที่สุดมันพัฒนาจกนกระทั่งปล้นธนาคาร้รานทอง <c oughs> กำลังของอากุศลกำลังของอากุศลจะเกิดเพิ่มทวีขึ้นทวีขึ้นเพราะฉะนั้นความกล้าที่เราจะต้องเอาออกบาใช้ยในฐานะนักภาวนาเราเราสา ม, มารถที่จะพูดได้ว่าทุกคนมีการอากุศลเคลื่อนไหวอยู่ทั้งนั้น หรือใครไม่มีอากุศลเคลื่อนไหวเลยโอ้หลวงพ่อเดี๋ยวนี้หนูน่าสะอาดสะอาดอากุศลไม่เคลื่อนไหวเลยใครกล้าพูดบ้างมีใคร <laughs> อกุศลแต่นักภาวนาต้องกล้าที่จะหยุดอกุศลที่มันเคลื่อนไหวอยู่เดินหลบออกไปก็ได้หรือประเจิญหน้าทึง่งหน้าก็ได้แต่รู้ว่าอากุศลอยู่ข้างในไม่ให้จิตอยู่ในอำนาจของมัน แล้วก็กำจัดอากูสลนนั้นมันไม่ลดลงแน่นอนถ้าเราเติมมันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ไขแล้วมันจะลดลงมันจะลดลงลงไปเองเยอะเลยเราอะมันมันจะลดลงไปเองถ้าเราไม่เติม เหมือนต้นไม้ถ้าเราไม่ใส่น้ำไม่ใส่ปุ๋ยไม่ให้อาหารมันมันก็จะเหี่ยวเฉาไปเองในที่สุดพระอาจารย์ครับการที่เรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราสามารถรู้สึกถึงกายไปพร้อมๆกันด้วยได้ไหมครับบางทีมันก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม พอนั่งไวสักระยะหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนอะเนีย่ยทุกคนเป็นหมดอะแต่ไม่รู้จะถามยังไงไอเ น, นี้ยเราสังเกตเราก็เลยได้มาถามมาทุกคนเป็นหมดะเวลาเรารู้สึกอารมณ์หายใจรู้สึกไปเรื่อยๆแต่เรารู้สึกเหมือนเราเอ้ยเหมือนรู้ตัวรู้กายไปด้วยรู้กายที่นั่งอ่ะรู้ในระยะบวที่นั่งอ่ะเป็นวะเป็นหมดอะแต่ไม่รู้จักยกออกมาถามมา พอตอนแรกๆก็ลมหายใจอย่างดียพอนั่งไปสักพักหนึ่งประจิตเริ่มรวมก็ลมหายใจปั๊บเอ๊ะเหมือนเหมือนกับมันรู้กายไปด้วยเหมือนรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วรู้กายไปด้วยให้รู้อย่างนี้มันผิดไหมไม่ผิดหรอกเหมือนเราขับรถอ่ะขับรถเราอยู่ในเลนของเราใช่ป่ะโดยหลักเราจะต้องมองที่เลนของเราใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ เห็นซ้ายขวาโน่นนั่นนี่เพีงเเยงแต่แค่เราไม่ได้ใส่ใจมากเราไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมเราใส่ใจตรงเรียนของเราเหมือนกันอ่ะเป็นไปได้อย่างนั้นแหละทุกคนเป็นหมดอ่ะไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องผิดปกตินะอ่าเพราะฉะนั้นเราวัดกันที่ใจของเรา นักภาวนานะไม่ใช่วัดกันที่สํานักนะไม่ใช่ว่าลูกศิษย์อาจารย์ทุ่ชีพแน่เว้ยไม่ใช่วัดกันอย่างนั้นไม่ได้คือลูกศิษย์สานักนั้นแน่ลูกศิษย์สํานักนี้แน่เนี่เดี๋ยวนี้ไอกระบวนการนี้มันเยอะขึ้นไอลูกศิษย์แห่อาจารย์เนี่ยอาจารย์โน่ไม่รู้เรื่องหรอกไอลูกศิษย์แห่กันแล้วอาจารย์กูดีกว่าอาจารย์โน่ดีกว่าอาจารย์กูดีกว่าไอลูกศิษย์ตั้งหลายแห่พวกนี้ยภาวนาขี้หมาทั้งนั้น ไอ้ลูกศิษย์แบบเนี้ยของเราอย่ายให้เป็นดี่ลหละแหพวกนี้เขาเรียกนักภาวนาขี้หมาทั้งนั้นไอ้เอาจริงไอ้อยู่ใกล้พระอริยะแต่ตัวเองเป็นอะไรก็ไหมลูก <c oughs> อยู่ใกล้พระอาราหารัน <c oughs> เดินตามหลังพระอาราหารันแต่ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไหมลูกไม่รู้ตัวมันวัดกันที่ใจของเรา ให้ซื่อๆกับใจตัวเองทั้งนอกทั้งในซื่อกับใจตัวเอ ง, ง, อ ง, ออเองแล้วก็ดูที่วัดกันดูสิมันกล้าพอไหมพอมีความคิดที่เป็นอกุศลเกิดมันกล้าพอไหมที่จะไม่อยู่ในอำนาจของมันอืทุกทีทุกทีพออกุศลมันเกิดเราก็ตกอยู่ใต้มันทุกทีเลยอ เที่ยวนี้ปฏิบัติภาวนามาเนี่ยพอ ร, รู้ว่าอกุศลตัวนี้มันเกิดมันเกิดเลยเ ว, ว้ยมันกล้าไหมที่จะไม่อยู่ในอำนาจก็มันกล้าไหมที่จะมองให้เห็นมันดับไปพระพุทธเจ้าว่าปัสตโตนติกินจนังมันจะไม่มีปัญหาสําหรับผู้ที่เห็นไอ้ปัสตะเนี่ยคือเห็นแล้วก็ทําไม่ภาวนายากที่จะเห็นเหมือนคนกินเหล้าอ่ะ คนกินเล่าจะเห็นโทษของเล่าตอนไหนหรู้เป่าฮะเวลาม า, มามเกิดอุบัติเหตุรถพลิกบางคนตกจากสะพานรังสิตตกลงไปมอแอลตกลงไปขาหักแขนหกักขาไอ้ตุง้งไม่ตายถือเกิดมันโชคดีไม่ตายนะแล้วไปนอนโรงพยาบาลพ่อแม่ต้องหยุดงานหยุดการต้องขายทรัพย์ขายสวนขายบ้านขายนาเพื่อมารักษามันทู่คดีความอะไรความถึงตอนนั้นมานอน haut, น้าตาไหลเห็นโทษของเล่า ใช่หมมันเห็นโทษของเราถึงจะเลิกไหลนั่ น, นะน่นนะเราก็เหมือนกันเราจะเห็นโทษของความเกิดเนี่ยโอ้ยเห็นโทษของอกุศลเนี่ยยากเพราะมันสําเร็จไปหนึ่งกรรมมันสร้างความสุขที่คนนี้ก็บอกว่าเราเข้าไปจัดการมันจะ้ะมันได้สะใจใช่ไหมเป็นสุขเวทนา แต่มันไม่ใช่แต่ปรภาวนาไปภาวนาไปเราจะเห็นมันเราจะรู้ว่าอากุศลทั้งหลายเนี่ยมันคือสิ่งบีบคั้นจิตตลอดเวลาปรภาวนาไปแล้วเราจะรู้ว่าอากุศลนี่คือตัวที่มันบีบคั้นจิตบีบคั้นจิตของเราและเมื่อเราเปิดให้จิตเราสัมผัสกับอารมณ์อันเป็น อันบริสุทธิ์รู้ที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอนิสิตะคือรู้ที่มันไม่มีตัณหามานะทิติไม่มีอะไรไปปรุงแต่งที่เรารู้ลราหายใจนี้เรียกว่ารู้ที่บริสุทธิ์ให้มันสัมผัสรู้นี้อยู่บ่อยๆให้จิตสัมผัสกับรู้นี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบบยความเป็นใหญ่ความเป็นอิสระจะเป็นความสุขของจิตอีก จะทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าทีนี้แหละภูมิจิตของเราก็จะเป็นเหมือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามอ่าหญิงสาวที่รักถวยรักงามที่มันส่องกระจกเวลาไอ้หญิงสาวที่มันรักถวยรักงามมันส่องกระจกมันดูอะไรดูดูที่หน้าไม่ใช่ดูดูอะไรฮะ หาฝฟย้าหาไอ้ไรเซียนสิวเซียนหาสิวเซียนเนีเด็กอหนิงสาวที่มันรักสวยรักงามนะมันดูกระจกหรือหาฝอฟฝ้าสิวเซียนดูด่างดำเพราะมีไหมมีไหมมีไหมถ้ามีแล้วจะเอาออกมี้จะเอาออกมีจะเอาออกมีจะเอาออกถ้ามันมีแล้วมันต้องเอาออกถ้าเอาออกไม่ได้มันต้องหาวิธีเอาออกให้ได้อะที่มันรักสวยรักงามแต่ถ้ามันดูแล้วไม่มีเกิดอะไรมันดูแล้วไม่มีนะ มันจะเกิดความสุขที่เกิดจากการที่ผิวหน้ามันสะอาดเ ก, กลี้ยงเกลาเหมือนกันเลยเหมือนกันเพื่อเราภาวนาจิตสัมผัสกับจิตรู้ที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นให้จิตได้สัมผัสรู้ทุบริสุธนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ บ, ย บ, ยบยมันก็จะค่อยเกิดความละอายที่เรียกว่าฮีริแล้วก็จะเกิดการกําจัดอกุศลได้ มันจะมองเห็นอกุศลเหมือนกับหญิงสาวที่มองหาสิวเงี่ยวบนใบหน้าเลยอแล้วพออกุศลเกิดปั๊บมันจะกำจัดอกุศลปั๊บมันก็กำจัดอกุศลเกิดปั๊บมันกำจัดเพราะมันทำอย่างนี้บ่อยๆทีรดียวตปะก็จะเกิดเต็มกำลังของมันขึ้นมาทีเดียวตปะก็จะเกิดชนิดที่เรียกว่าเต็มกำลังมันขึ้นมาได้อันนี้ในชีวิตจริงที่มันจะต้องมีและมันเป็นอย่างนี้มันก็จะปรับภูมิจิตขึ้นไป ภูมิจิตก็จะถูกปรับขึ้นไปเป็นอัตโดมัติเปลี่ยนสภาพออกไปเปลี่ยนแปลงภูมิจิตขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในฐานะอะไรที่พระเจ้าเรียกว่าอัปยาอนัพิชารุวิหารยะอัปยาปันเดนาเจตโซสโตเอกาคจิตตะสะอัชตังสุสมาฮิโตอนัพิชารุวิหารยะทีนี้จิตมันก็จะอยู่ด้วยความไม่เพ่งเล็งแต่เดิมจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ย ความโลภของจิตมันจะมีตัวอภิชาคือความอยากที่มันผลกมาแล้วทำให้เล็งเล็งเเล็งเลงเลงเลงในความอยากด้วยอำนาจของความอยากเล็งอยากได้นั่นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้เล็งไปเรื่อยอาการเล็งนี้จะหายไปอาการเล็งนี้จะหายไปเหลือโลภที่เป็นปกติในวิถีชีวิตที่เป็นจริงในเรื่องของความโกรธส่วนที่เป็นพยาบาท คือพร้อมที่จะเปิดศึกอะ่ะก็จะหายไปจิตที่พร้อมจะเปิดศึกมันจะหายไปน้ําใจจะกลับมาแทนการให้อภัยจะเกิดขึ้นการให้อภัยจะเกิดขึ้นมากใน่สามส่วนของจิตเนี่ยหลังจากนั้นสโตมันมีสติขึ้นมีสติขึ้นมีสติหมายความว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจํำวันที่มันมีกระทบ เมื่อก่อนนี้พอกระทบปั๊บสวยอารมณ์ปั๊บแต่ต่อไปนี้เมื่อมันมีสติพอกระทบปั๊บสติจะ ก, กั้นกระแสของอกุศลมันจะมีคิดพิจารณาใคร่กลวนใจตรองเกิดขึ้ น, นแค่รู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนภูมิจิตภูมิจิตมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเรื่และอัจฉตังสุสมะหิโตเอกะขะตะจิตตสะอัจฉตังสุสมะหิโตจิตจะเข้าสู่การตั้งมั่น ในภายในอารมณ์อันเดียวเพราะอะไรเพราะเรานั่งเราฝึกลมหายใจใช่ไหมหายใจออกรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจแล้ว้าจนจนมันคุ้นแล้วคุ้นแล้วลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตใหม่ได้แล้วตอนที่นี้เราขับรถไปในระหว่างที่เราขับรถเราดูรถหน้ารถหลังดูกระจกซ้ายกระจกขวา กระจกหลังใช่ไหมเออดูหน้าปัดมันมีเรื่องที่จิตจะต้องทําในขณะนั้นแย่แย่ไปทำธรรมชาติมันไปแต่พอหยุดปับ๊บจิตมันลุบปั๊บยี่สิบร้อยี่สิบวิตัวแดงแดงร้อยยี่สิบวิวยยบวในระหว่างที่มันว่างอยู่จิตก็จะหลุดออกจากตรงนี้แล้วเพราะไม่ต้องดูกระจกซ้ายกระจกฝากระจกหน้ากระจกหลังหน้าปัดก็ไม่ต้องดูแล้วมันเหมือนกับมีสัญญาณบอกว่าอีร้อยยี่สิบวิในระหว่างนั้น ธรรมดาจิตมันจะวิ่งไปไหนไปที่ทำงานชักโทรศัพท์ออกมาดูเฟ e b o o k ดู l ล n e หรือไม่ก็กดโทรไปหาคนนู้นคือมันว่างไม่เป็นน่ะเข้าใจไหมแต่เมื่อเอกะขะตะจิตตะสะอัชชตังสุสมาฮิโตเมื่อจิตมีการสัมผัสมีเครื่องอยู่เป็นของตนเองในอารมณ์ภายในซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของสติในระหว่างนั้นจิตไปไหน วิ่งมาที่ลมหายใจไม่วุ่นแหละไม่วุ่นละมือจับพงมาลัยหรือว่างยาพวงมาลัยร้อยยี่สิบวิเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจแล้วและนี่คืออาการที่นั่นถามเมื่อกี้ว่าเมื่อรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยมันรู้กายไปด้วยใช่ไหมะอันนี้แหละอันนี้มันจะอยู่ในชีวิตจริงเลยสีนี่มันก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไป จนกระทั่งอายุร้อยยิบในขณะนั้นเรานั่งอยู่บนรถเข้าใจไหมเรานั่งอยู่บนรถถ้าเราตั้งอยู่บนคันเร่งแต่ไม่ได้เหยียบ <c oughs> มือเราก็อาจจะวางอยู่ที่พวงมาลัยแต่ไม่ได้จับหักอะไรมันระู้หมดอ่ะแต่ก็รู้ลมหายใจไปมันไม่วุ่นกับการต้องไปวิ่งนีนนนนนนงนนนนีนไม่ไม่นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน อัจตตังสุสมาหิตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นสีอย่างนี้หนึ่งอนัพพิชารุวิหารยะจะลดความลิงออกไปความอยากที่ไร้สาระการสว่างหาย่างไร้สาระจะถูกริดโดดออกไปด้วยกำลังของสติสองความพยาบาทความใหญ่โตของโทสะ อารมณ์ขี้หงุดหงิดปฏิฆะอะไรกันต่างเนี่ยที่มันที่ว่ามันโกรธแบบโง่โง่อะโกรธแบบไร้าสาระโกรธแบบโกรธแบบอ่าโกรธแบบไม่มีเหตุผลน่ะมันจะหายไปมันยังมีโกรธอยู่นะมันยังมีอยู่นะเออแต่มันแต่ว่าไอ้แบบที่ไร้าสาระไม่มีเหตุผลอะเช่นนั่งอ่านหนังสือหมาเหา่าวางหนังสือลูกขึ้นไปตีหมานี่ไม่มี คือไอ้กรูดแบบไร้สาระนี่มันจะหายไปและอาการน้ำใจจิตอภัยจะเพิ่มขึ้นสติสโตคือการมีสติในการใคร้ครวนใคร้ครวนพิจิดพิดจารณาก็จะเพิ่มขึ้นและอาจจะตั้งสุสมัมมาโตจิตจะมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่สามเป็นสําหรับเป็นฐานที่ตั้งของสติเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นชัดเลย สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นนี่นักภาวนาต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องกล้าเราจรึงจะต้องกล้าสำหรับที่จะไม่ให้จิตตกอยู่ใต้อานาจของเราเพราะอะไรที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไม่กล้าสาหรับที่จะให้จิตยกจิตออกจากอำนาจของอกุศลนะถ้าเราไม่กล้าอย่างนั้นนะเราจะไม่มีโอกาสปรับภูมิจิตได้จิตจะไม่มีภูมิของมันเลยอกุศลมันก็จะกะยี่จิตขยี่จิตพระเจ้าว่า โบหะเนยเยซูมุชิโตจิตก็จะตกอยู่อนหน้าของโบหะโบหะมันเป็นความมืดเนี่ยตามมาซาปาบ ร, าวราวิวาริโตมันถูกล้อมด้วยความมืดนิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นหนาไปเรื่อยโอกาสพอมันหนาไปเรื่อยทีนี้มันก็มันจะอยู่อภิชาลุวิหารยะอยู่ด้วยอหน้าของอภิชาโลบนี่เต็มเหมือนน้าเต็มเขื่อนเลยแหละโลบนี่เต็มเขื่อนเต็มเต็มจิตได้ เลบโลภนี่เต็มเต็มฐานเลยแล้วก็ไอ้ที่ล้นมาจากความโลภคือความอภิชากนแน่นกับเป็นขยะไปหมดโทสาก็เต็มฐานเลยทีนี้พยาบาทไร้น้ำใจก้นเต็มเป็นขยะไปหมดนะความรุ่มหลงก็เต็มฐานของมัน ความหฮม ง, ง่ายเผยออกมาจากฐานของความโบของความหลงนั้นน่ะก็เต็มเป็นขยะไปหมดจิต hmm. นันเพราะนั้นเรานักนุทธนาคมันยิงต้องกล้านะต้องกล้าที่จะหยุดจิตไม่ให้อยู่ในอํานาจขององกุศลไม่ไอายใครด้วยเพราะอกุศลมันเกิดขึ้นที่จิตเราไม่มีใครรู้ใช่ไหมหมันเกิดแล้วทุกทีทุกทีเรายอมมันครั้งนี้เราไม่ยอมแล้ว ฉันขอเป็นผู้รู้ผู้ดูพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าตรัสปัตโตนติกินญนังผู้ที่เห็นเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่เห็นจะสร้างก ร, รมสร้างเวรเราเลือกเอาเถอะชีพนี้ชีวิตนี้อยู่ไม่กี่วันก็ตายแล้วเราจะเป็นขี้ข้าอากุศลอีกกี่ปีอะถูกปะ เดี๋ยวก็แกเดี๋ยวก็เดจะต้องนอนปิดเตียงหรือเปล่ามไม่รู้ไอ้ช่วงอย่างนี้แหละมีกำลังกายดีๆอย่างนี้แหละดีนักเลิกเป็นกี้ข้ามันทรนทีเราก็จะได้เป็นอิสระในกุดินิกแต่ว่าความกล้าที่ว่านี้นักภาวนาต้องมีแล้วก็เอาออกมาใชา้ตัดสินใจใช้ วิธีหนึ่งในชีวิตปกติหมายถึงมันถึงชีวิตจริงให้ hey, ให้ทําความเป็นกลางคือยกจิตไปที่ลมหายใจแล้วก็ทรงจิตไปใคร่ควรพิจารณาพฤติกรรมของตัวเองในระหว่างวันในระหว่างอาทิตย์ในระหว่างเดือนหาความเป็นอกุศล ท, ที่มันเกิดขึ้นสําเร็จแล้วให้ได้แล้วมองดูให้เห็นโทษของมันมองดูให้เห็นโทษของมันให้คุ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมา เมื่อปัจจ e ุบันม really ันเกิดขึ้นทีนี้เราก็จะเห็นมันก็เรียกว่าใช้อนุปัสสีก่อนเพราะมันมันวิปัสสีไม่ทันใช้อนุปัตสีก่อนตามสิ่งที่มันเคยเกิดเคยเกิดเคยเกิดเกิดพอมันคุ้นเสร็จแล้วทีนี้พอมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีจังหวะพอที่จะให้เรากล้าสําหรับที่จะหยุดมันได้บางลงพิจารณาดูหรือใครไม่เคยเลยไม่เคยมีไหมไม่เคยเหรอเคยไหม ไม่เคยมีไหมนั่นเนฮะ้ยแปลกนะชีวิตนี้หาอากุศลไม่เจอแม้ทักตัวเดียวนอากุศลมันอันตรายถึงขนาดนี้นะนอกจากว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้เราอยู่ในอำนาจมันแล้วเราสู้มันไม่ได้แล้วไม่พอมันหลบอีกนะทําให้เราหามันไม่เจออีกนะ <c oughs> รายกา ร, รายการเอาละเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายเที่ยงครึง่ง